คือาศาสนาพิธีอย่างที่สองคือาศาสนาสถานก็คือวัดบาอารามโบสถ์ชลาอย่างที่สี่ก็คือศาสนาธรรมอย่างที่สามเนาะศาสนธรรมอย่างที่สี่ก็ศาสนาบุคคลก็คือพวกเรา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 รถไปเฉียวไปชนก็ไปซื้อสังฆท า, านมาสะดวกเคราะไปซื้อสังฆท า, านมาถวายให้เจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรอยู่บ้านนะั่นนะซื้อสังฆท า, านมาก็เอาถวายสังฆท า, านเลยอันน่ะเจ้ากรรมนายเวรตัวจริงด่ากันได้นั่นคือกรรม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 ก้องโลกอยู่ท่านมีศรัทธาที่จะประพฤติปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาตั้งใจประพฤติปฏิบัติชาตินั้นพบนั้นแหละจะทำให้ท่านสมหวังได้พวกเราขาดอะไรพร้อมทุกอย่างขาดขี้ค้านขี้เกียจขี้ค้านไปเธอนะเราบ้านนะ